จะวัติสูตรว่าด้วยความเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิและพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาย่อมไม่ทรงให้จากที่ไม่ใช่ของพระราชาหมุนไปเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งเด้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าธรรมเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาแล้วตรัสต่อไปว่าหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาในโลกนี้ทรงอาศัยธรรมเท่านั้นสักการะธรรมคุรพธรรมนอบน้อมธรรม เชื่อชูธรรมยกย่องธรรมมีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองชนภายในโดยธรรมสองพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาทรงอาศัยธรรมเท่านั้นสักระธรรมครรพธรรมนอบน้อมธรรมเชื่อชูธรรมยกย่องธรรมมีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดการรักษาป้องกัน และคุ้มครองผู้กษัตริย์ผู้ตามเสด็จกำลังพลพราหมณ์ขหบดีชาวนิคมชาวชนบทสมณพราหมณ์สัตว์จำพวกเนื้อและนกโดยธรรม 3. พระเจ้าจักรพรรดนั้นแหลผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาทรงอาศัยธรรมเท่านั้นสักรธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมเชิดชูธรรมยกย่องธรรมมีธรรมเป็นใหญ่ ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองชนภายในพวกกษัตริย์กำลังพลพราหมณ์ขาหาบดีชาวนิคมชาวชนบทสมณะพราหมณ์สัตว์จำพวกเนื้อและนกโดยธรรมแล้วจึงให้จากหมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นค่าศึกและเป็นสัตว์มีชีวิตให้หมุนกลับไม่ได้ในทํานองเดียวกันหนึ่ง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 พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแหลผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาทรงอาศัยธรรมเท่านั้นสักระธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมเชื่อชูธรรมยกย่องธรรมมีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองกายกรรมวัชกรรมและมโนกรรมโดยธรรมแล้วจึงทรงให้ธรรมจากที่ยอดเยี่ยมหมุนไปโดยธรรมเท่านั้น จากนั้นอันสมณนะพรามเทวดามานพรมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้จักวัตติสูตรที่สจบ 5. ประเจตนสูตรว่าโดย พระเจ้าปเจตนะรับสั่งให้ช่างทำล้อรถสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิ ป, ปตนเมรุกทายวันเข ค, ครุงพารานสีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปเจตนะครั้งนั้นพระเจ้าปเจตนะรับสั่งเรียกนายช่างรถมาตรัสว่านายช่างรถสหายรักนับแต่นี้ไปอีกหกเดือนฉันจะทำสงครามท่านจะสามารถทำล้อคู่ใหม่ให้ฉันได้ไหมนายช่างรถทูลว่าสามารถพระเจ้าค่ะลำดับนั้นนายช่างรถ ทำล้อข้างหนึ่งสำเร็จโดยใช้เวลาห้าเดือน24วันพระเจ้าประเจตนะรับสั่งเรียกนายช่างรถมาตรัสว่านายช่างรถสหายรักนับจากนี้ไปหวันฉันจะทำสงครามล้อคู่ใหม่ทำสาเร็จแล้วหรือนายช่างรถทูลว่าล้อข้างหนึ่งทำสำเร็จแล้วโดยใช้เวลาห้าเดือน24วันพระเจ้าค่า พระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่านายช่างรถสหายรักโดยใช้เวลาหกวันนับจากวันนี้ท่านจะสามารถทำล้อที่สองสำเร็จได้ไหมนายช่างรถทูลรับรองว่าสามารถพระเจ้าค่ะแล้วทำล้อที่สองสำเร็จโดยใช้เวลาหกวันถือล้อคู่ใหม่เข้าไปเฝ้าพระเจ้า ป, เ จ, าปเจตนะถึงที่ประทับได้ทูลพระเจ้าปเจตนะว่าขอเดชะ ล้อคู่ใหม่นี้ของพระองค์สําเร็จแล้วพระเจ้าปเจตนะรับสั่งถามว่านายช่างรถสหายรักล้อข้างที่ทําสําเร็จโดยใช้เวลาห้าเดือนยีสวันกับล้อข้างที่ทําสําเร็จโดยใช้เวลาหกวันของท่านมีเหตุอะไรทําให้แตกต่างกันฉันจะเห็นเหตุที่ทําให้แตกต่างกันได้อย่างไรนายช่างรถทูลว่าขอเดชะ เหตุที่ทำให้แตกต่างกันมีอยู่ขอพระองค์จงทอดพระเนตรความแตกต่างกันเถิดลำดับนั้นแหละนายช่างรถหมุนล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลาหวันล้อนั้นเมื่อนายช่างรถหมุนก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนแล้วหมุนเวียนล้มลงที่พื้นดินนายช่างรถหมุนล้อข้างที่ทาสาเร็จโดยใช้เวลาห้าเดือน24วันล้อนั้น เมื่อนายช่างรถหมุนก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนแล้วตั้งอยู่ได้เหมือนอยู่ในเปลา่าพระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ล้อค้างที่ทำสาเร็จโดยใช้เวลาหกวันนี้เมื่อท่านหมุนไปจงหมุนไปได้เท่าที่ท่านหมุนแล้วหมุนเวียนลม้มลงที่พื้นดินอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลาห้าเดือนยี่สิสี่วันเมื่อท่านหมุนจึงหมุนไปได้เท่าที่ท่านหมุนแล้วตั้งอยู่ได้เหมือนอยู่ในเปลา่านายช่างรถกราบทูลว่าขอเดชะกงของล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลาหกวันคดมีปุ่มปมทั้งแกนและกระพียังมียางแม่กำก็คดมีปุ่มปมทั้งแกนและกระพียังมียาง แม้ดุมก็คดมีปุ่มปมทั้งแก่นและกระพียังมียางเพราะกงคดเป็นปุ่มปมทั้งแก่นและกระพียังมียางเพราะแม้กำก็คดเป็นปุ่มปมทั้งแก่นและกระพียังมียางเพราะแม้ดุมก็คดเป็นปุ่มปมทั้งแก่นและกระพียังมียางล้อนั้นเมื่อข้าพระองค์หมุนจึงหมุนไปได้เท่าที่ข้าพระองค์หมุน แล้วหมุนเวียนลม้มลงที่พื้นดินขอเดชะส่วนกงของล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลาห้าเดือน24วันไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแกนและกระพีที่มียางแม้กำก็ไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแกนและกระพีที่มียางแม้ดุมก็ไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแกนและกระพีที่มียางเพราะกงไม่คด ไม่มีปุ่มปมไม่มีแกนและกระพีที่มียางเพราะแม่กำก็ไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแกนและกระพีที่มียางเพราะแม้ดุ่มก็ไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแกนและกระพีที่มียางล้อนั้นเมื่อข้าพระองค์หมุนจึงหมุนไปได้เท่าที่ข้าพระองค์หมุนแล้วตั้งอยู่ได้เหมือนอยู่ในเปล่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอาจจะคิดอย่างนี้ว่า สมัยนั้นนายช่างรถคงเป็นคนอื่นแน่แต่ข้อนี้เธอทั้งหลายไม่พึงเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราคือนายช่างรถนั้นในครั้งนั้นเราเป็นคนฉลาดในความคดของไม้ในปุ่มปมของไม้ในแกนและกระพีที่มียางของไม้แต่ในปัจจุบันนี้เราเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหฉลาดในความคดของกายโทษของกาย มนทินของกาย 2. ฉลาดในความคดของวาจาโทษของวาจามนทินของวาจา 3. ฉลาดในความคดของใจโทษของใจมนทินของใจภิกษุหรือภิกษุณีผู้มีละความคดของกายโทษของกายมนทินของกายไม่ละความคดของวาจาโทษของวาจามนทินของวาจา และเมละความคตของใจโทษของใจมนทินของใจชื่อว่าได้พลัดตกไปจากธรรมวินัยนี้เหมือนล้อขั้งที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลาหกวันภิกษุหรือภิกษุณีผู้ละความคตของกายโทษของกายและมนทินของกายละความคตของวาจาโทษของวาจาและมนทินของวาจา ละความคดของใจโทษของใจและมนทินของใจชื่อว่าดํารงมั่นอยู่ในธรรมวินัยนี้เหมือนล้อขั้งที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลาห้าเดือน24วันเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากละความคดของกายโทษของกายและมนทินของกาย จักละความคดของวาจาโทษของวาจาและมนฑินของวาจาจักละความคดของใจโทษของใจและมนฑินของใจภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลปเจตนะสูตรที่หจบ หกปัญกะสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติไม่ผิดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยทำสามประการชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดและเธอชื่อว่าปรารบเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะทำสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. คุ้มครองทวารในอินทรีย์ 2. รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร 3. ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่หนึ่งหนงภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในจกักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาเพ่งเล็งอยากได้ของเขาและโทมนัสความทุกข์ใจครอบงำได้ จึงรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธพภะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนั์ครอบงำได้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 มีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นในมัชฌิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชําระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัดชฌิมยามแห่งราตรีภิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลชื่อว่า ปฏิบัติไม่ผิดและเธอชื่อว่าปรารบเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะอภัณกะสูตรที่หจบ 7. อัตพยาพาทสูตรว่าด้วย ทำที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นและเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกาย 2. วจจทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจา 3. มมโนทุจริต ความประพฤติชั่วด้วยใจทำสามประการนี้แหลเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นและเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทำสามประการนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นและไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกาย สวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจา 3. ม, มโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจทำสามประการนี้แลไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นและไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอัตภยาภาทสูตรที่เจ็ด โลกสูตรว่าด้วยเทวโลกภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดรถีปริภาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าพวกท่านประพฤติพรหมจันทร์ในพระสมณโคดมเพื่อเข้าถึงเทวโลกหรือเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงอึอดอดัดระอารังเกียดมิใช่หรือเมือ่อภิกษุพวกนั้นกราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าข่า จึงตรัสต่อไปว่าทราบมาว่าเธอทั้งหลายอึดอัดระอารังเกียร์อายุทิพวันะทิพสุขทิพยศทิพและอธิปไตยทิพแต่เบื้องต้นทีเดียวเธอทั้งหลายคนอึดอัดระอารังเกียจกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเทวโลกสูตรที่8จบ ปฐมมะปาปะนิกสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายพ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการไม่อาจได้โพคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นองค์สามประการอะไรบ้างคือพ่อค้าในโลกนี้หนึ่งเวลาเช้า ไม่ตั้งใจจัดแจงการงานให้ดีสองเวลาเที่ยงไม่ตั้งใจจัดแจงการงานให้ดีสามเวลาเย็นไม่ตั้งใจจัดแจงการงานให้ดีพ่อค้าประกอบด้วยองศาบประการนี้แลไม่อาจาได้โพกทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นฉันใดภิกษุประกอบด้วยทำสมประการก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ไม่อาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้นทำสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เวลาเช้าไม่ตั้งใจเข้าสมาธิ 2. เวลาเที่ยงไม่ตั้งใจเข้าสมาธิ 3. เวลาเย็นไม่ตั้งใจเข้าสมาธิภิกษุประกอบด้วยทำสามประการนี้แล ไม่อาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้นพ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการอาจได้โพกทระซัที่ยังไม่ได้หรือทำโพกทระซัที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นองค์สามประการอะไรบ้างคือพ่อค้าในโลกนี้ 1. เวลาเช้าตั้งใจจัดแจงการงานดี 2. เวลาเที่ยง ตั้งใจจัดแจงการงานดี 3. เวลาเย็นตั้งใจจัดแจงการงานดีพ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการนี้แลอาจได้โพคารั์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคารั์ที่ได้แล้วให้เพิ่มผูนมากขึ้นฉันใดภิกษุประกอบด้วยทำสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันแลอาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้น ทำสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เวลาเช้าตั้งใจเข้าสมาธิ 2. เวลาเที่ยงตั้งใจเข้าสมาธิ 3. เวลายเย็นตั้งใจเข้าสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำสามประการนี้แลอาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทํากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้น ประมะปาปนิกสูตรที่เก้าจบ 10. ทุติยปาปาปนิกสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าสูตรที่สองภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพยบูรในโภคซั์องค์สามประการอะไรบ้างคือพ่อค้าในโลกนี้ 1. มีตาดี 2. มีธุรกิจดี 3. มเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยพ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าในโลกนี้รู้จักสินค้าว่า สินค้าน on ี ite, so ้ซื้อมาเท่านี้ขายไปอย่างนี้จักมีมูลค่าประมาณเท่านี้มีกําไรเท่านี้พ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างนี้แหลพ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าเป็นคนฉลาดซื้อและขายสินค้าได้พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างนี้แหล พ่อค้าชื่อว่าพี่พร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือข้าบดีหรือบุตรข้าบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภกกทรัพย์มากย่อมรู้จักพ่อค้าในโลกนี้อย่างนี้ว่าพ่อค้าผู้นี้แลมีตาดีมีธุรกิจดีและสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรพัญยาได้ทั้งใช้คืนให้แก่พวกเราได้ตามกาหนดเวลาข้าบดีหรือบุตรขาบดีเหล่านั้น ย่อมเชื้อเชิญพ่อค้านั้นด้วยพภกขทรัพว่านับแต่นี้ไปท่านจงนำพ่อขทรัพไปเลี้ยงดูบตรพันยาและใช้คืนให้พวกเราตามกำหนดเวลาพ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างนี้แลพ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการ น, นี้แลไม่นานนับ ก, ก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพยบูนในพ่อทรัพชั้นใด ภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันแลไม่นานนักก็บรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพยบณ์ในกูศลธรรมธรรมสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. มีตาดี 2. มีธุระดี 3. เพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยภิกษุชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาภิกษุชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารกความเพียนเพื่อละอกุโลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุชื่อว่ามีทุระดีเป็นอย่างนี้แหลภิกษุชื่อว่าเพียรพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรเกิภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติ ก, กาตามเวลาสมควร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 ไม่นานนะักก็บรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพยบูรในกูสลนธรรมทุติยปาปานิกสูตรที่10จบรัฐาการวักที่สองจบปฐมมพานวาระจบรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือ 1. ญาตสูตร 2. สารณิยสูตร 3. อาสังสสูตรส จักรวัติสูตรห้าปเจตนสูตรหกอปันกกะสูตรเจ็ดอตัตตะพยาพาทะสูตรแปดเทวโลกะสูตรเก้าปสมมะปาปนิกกะสูตรสิบุติยะปาปนิกกะสูตร บุคละวั์หมวดว่าด้วยบุคคลหนึ่งสวิททสูตรว่าด้วยพระสวิททะและมหาโกติตะเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนนทบิณกะเศรษฐีเคครุงสาวถีครั้งนั้นท่านพระสวิททะและท่านพระมหาโกติตะ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 ทิฏฐิปตะบุคคลสาสัทธาวิมุตตะบุคคลบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนซึ่งดียิ่งกว่าและประนีกว่าท่านพระสวิทถ h ตอบว่าบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. กายสักขีบุคคล 2. ทิฏฐิปะตะบุคคล 3. ส, สัท ธ, ธาวิมุตตะบุคคลบุคคลสามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้ผมชอบใจสัท ธ, ธาวิมุตตะบุคคลซึ่งดียิ่งกว่าและประนีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัตทินรีของบุคคลนี้แก่กล้ายิ่งนักลำดับนั้นท่านพระสารีบุตร ได้กล่าวกับท่านพระมหาโกติตะดังนี้ว่าบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. กายสักขีบุคคล 2. ทิฏฐิปัตะบุคคล 3. สาสัตว์วิมุตตะบุคคลบุคคลสามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหน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 ผมชอบใจกายศักขีบุคคลซึ่งดียิ่งกว่าและประณีดกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมาธินีของบุคคล น, นี้แก่กล้ายิ่งนักลำดับนั้นท่านพระมหาปวติตะได้ถามปัญหานี้กับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. กายศักขีบุคคล สทิฏฐิปะตะัตะบุคคลสามสัทวิมุตตะบุคคลบุคคลสามจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนซึ่งดียิ่งกว่าและประณีดกว่าท่านพระสารีบุตรตอบว่าบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง กายสักขีบุคคลสองทิฏฐิปัตะบุคคลสาสัทธาวิมุตตะบุคคลบุคคลสามจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้ผมชอบใจทิฏฐิปัตะบุคคลซึ่งดียิ่งกว่าและประนี ก, กว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะปัญญีสีของบุคคลนี้แก่กล้ายิ่งนกะลำดับนั้นท่านพระสารีบุตร เรียกกล่าวกับท่านพระสวิตถ h และท่านพระมหาโกติตะดังนี้ว่าพวกเราทั้งหมดต่างต่อปัญหาตามปฏิพานของตนมาไปด้วยกันเถิดเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลข้อความนี้เราจะทรงจำข้อความตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบแก่เราท่านพระสวิท t h และท่านพระมหาโกติตะตอบรับท่านพระสารีบุตรแล้ว ลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรท่านพระสวิตถ h และท่านพระมหาโกติตะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสารีบุตรผู้นั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลข้อสนทนาทั้งหมดกับท่านพระสวิตถะและท่านพระมหาโกติตะแดพะะ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในเรื่องนี้ การตอบปัญหาโดยในเดียวว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้บุคคลนี้ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าไม่ใช่จะทำได้ง่ายเพราะอาจเป็นไปได้ว่าศัทธาวิมุตตะบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์กายสักขีบุคคลเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีทิฏฐิตตะบุคคลเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีในเรื่องนี้ การต่อปัญหาโดยในเดียวว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้บุคคลนี้ดียิ่งกว่าและประนีกว่าไม่ใช่จะทำได้ง่ายเพราะอาจเป็นไปได้ว่ากายสักขีบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์สัทธาวิมุตตะบุคคลเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีทิฏฐิปั ต, ตะบุคคลเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีในเรื่องนี้ การตอปัญหาโดยในเดียวว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้บุคคลนี้ดียิ่งกว่าและประนีกว่าไม่ใช่จะทำได้ง่ายเพราะอาจเป็นไปได้ว่าทิจิปะตะบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์สัทธาวิมุตตะบุคคลเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีกายสัก ข, ขีบุคคลเป็นสกทาคามมหรืออนาคามีในเรื่องนี้ การตอปัญหาโดยในเดียวว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้บุคคล น, นี้ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าไม่ใช่จะทำได้ง่ายสวิตสูตที่หนึ่งจบ ทิลานสูตรว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้ภิกษุทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคนไข้สามจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนไข่บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสปายะก็ตามได้ยาที่เป็นสปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสปายะก็ตาม และได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้เลย 2. คนไข่บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสับปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสับปายะก็ตามได้ยาที่เป็นสับปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสับปายะก็ตามและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตาม ย่อมหายจากอาพาธนั้นได้ 3. คนไข่าบางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสับ ป, ปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้ยาที่เป็นสับ ป, ปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายบรรดาคนไข้าสามจำพวกนั้น คนไข้ใดได้โภชนะที่เป็นสปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้ยาที่เป็นสปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายเพราะอาศัยคนไข้นี้แลเราจึงอนุญาตอาหารสำหรับภิกษุไขอนุญาตยาสำหรับภิกษุไข และอนุญาตคนพยาบาลสําหรับภิกษุไข้ก็เพราะอาศัยคนไข้นี้คนไข้แม้อื่นๆก็ควรได้รับการพยาบาลด้วยคนไข้าสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกชั้นใดบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้าสามจำพวกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้าสามจำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ตามย่อมไม่อย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กําหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ตามย่อมอย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นตถาคตจึงอย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่อย่างลงได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงอย่างลงสู่ความเห็นชอบ ที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่อย่างลงบรรดาบุคคลสามจำพวกนั้นบุคคลใดได้เห็นตถาคตจึงอย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่อย่างลงได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงอย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่อย่างลง เพราะอาศัยบุคคล น, นี้แหละเราจึงอนุญาตการแสดงธรรมก็เพราะอาศัยบุคคล น, นี้จึงควรแสดงธรรมแก่บุคคลแม้เหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้าสามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกขีลา น, นสูตรที่สองจบ